ความหลงที่มีโทษยิ่งโมหะหรือความหลงอันเป็นโทษอย่างยิ่งคือโมหะที่เป็นเหตุให้คิดผิดเห็นผิดไปว่าผลของการกระทำไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจะทรงสอนว่าการกระทาทุกอย่างมีผลผู้ใดทำดีจกได้รับผลดีผู้ใดทำชั่วจะได้รับผลชั่วแต่โมหะหรือความหลงก็สามารถทำให้คิดผิดเห็นผิดเป็นอย่างอื่นไปได้ทำให้ไม่เชื่อพระพุทธองค์ได้ทั้งทั้งที่พระพุทธองค์ทรงมีดวงพระเนตรเป็นทิพย์แล้วด้วยพระปัญญาคุณอันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน และทั้งทั้งที่ตนเองเป็นผู้มีดวงตามืดมัวด้วยปราศจากแสงแห่งปัญญาอันผู้ขาดปัญญาก็คือผู้มีโมหะความหลงผิดขาดปัญญาประกอบความคิดความเห็นความเชื่อความรู้ก็ย่อมมีโมหะในการคิดในการเห็นในการเชื่อในการรู้คือมีความคิดที่หลงผิดจากความจริงมีความเห็นที่หลงผิดจากความจริง มีความเชื่อที่หลงผิดจากความจริงมีความรู้ที่หลงผิดจากความจริงผู้มีปัญญามากในเรื่องใดก็มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่องนั้นหรือผู้มีโมหะความหลงผิดน้อยในเรื่องใดก็มีปัญญามากในเรื่องนั้นผู้มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องใดก็ไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเรื่องนั้น ผู้ไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเรื่องใดก็มีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องนั้นแต่สามัญชนที่จะไม่มีโมหะความหลงผิดเลยมีปัญญาบริบูรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นไม่มีพระอริยะบุคคลเท่านั้นที่มีปัญญาบริบูรณ์ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเรื่องนั้น และพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่ทรงมีพระปัญญาและมีปัญญาบริบูรณ์ไม่ทรงมีและไม่มีโมหะความหลงผิดเลยในเรื่องทั้งปวงอย่างไรก็ตามไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ๆว่าเป็นผู้มีโมหะความหลงผิด เช่นไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ว่าเป็นผู้มีโมหะหรือความหลงหรือไม่นับผู้ไม่มีปัญญาในการหาเลี้ยงชีพให้สมบูรณ์พูนสุขว่าเป็นผู้มีโมหะหรือมีความหลงเช่นนี้เป็นต้นแต่นับว่าเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทางศึกษาเล่าเรียนหรือเป็นผู้ไม่มีปัญญาในทางหาเลี้ยงชีพดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความไม่มีปัญญาในทางโลกแท้ๆไม่นับเป็นความมีโมหะหรือความหลงจะนับว่ามีโมหะหรือความหลงก็ต่อเมื่อขาดปัญญาความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อที่จะทำให้ความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารลดน้อยลงหรือจนถึงหมดสิ้นไปเท่านั้นเช่นดังกล่าวแล้วผู้ไม่เชื่อว่าการกระทาทุกอย่างมีผล ไม่เชื่อว่าทำดีจกได้รับผลดีทำชั่วจะได้รับผลชั่วนับเป็นผู้มีโมหะความหลงผิดเพราะขาดปัญญาที่จะทำให้รู้ให้คิดให้เห็นหรือเพียงให้เชื่ออย่างถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องที่จะทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในวัฏฏสงสารลดน้อยลงทั้งยังเป็นการเพิ่มความทุกข์นั้นให้มากขึ้นอีกด้วย เพราะการขาดปัญญาสำหรับขจัดโมหะความหลงผิดนี่แหละผู้ที่ไม่เชื่อว่าผลของกรรมหรือการที่กระทามีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือผู้ที่ไม่เชื่อว่าความสุขความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นเป็นประจำในโลกทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นมิได้เป็นผลของกรรม หรือการที่กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของตนเองและของผู้อื่นแต่เชื่อว่าความสุขความทุกข์เหล่านั้นเป็นสิ่งเกิดขึ้นเองมิได้เป็นผลของกรรมที่ตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งทำไว้เมื่อเชื่อสัจนนั้นแล้วว่าความสุขความทุกข์มิได้เป็นผลของการกระทำดีการกระทำชั่วเกิดขึ้นได้เองจะสุขก็สุขเพราะเหตุอื่นจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะเหตุอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาใดๆทั้งสิ้นของตนก็จะเชื่อด้วยว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องควรพิจารณาก่อนแล้วจึงทำความเชื่อนี้แหละเป็นความเชื่อของผู้มีโมหะความหลงผิดที่จะทำให้ความทุกข์ในวัฏะสงสารของตนเองเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดน้อยลงเพราะแม้ว่าไม่พิจารณาก่อนทำเพื่อทำแต่กรรมดีไม่ทากรรมชั่ว ผลของการที่ทาโดยไม่เลือกดีเลือกชั่วย่อมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตนแน่นอนการกระทาไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ชอบทั้งหลายที่มีกระทากันอยู่เป็นธรรมดานั้นผู้ทาล้วนเป็นผู้มีโมหะความหลงผิดด้วยกันทั้งนั้นแตกต่างกันเพียงที่บางคนมีมากบางคนมีน้อยคนมีโมหะความหลงผิดมาก ก็ทำไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ชอบหนักมากคนมีโมหะความหลงผิดน้อยก็ทำหนักน้อยเป็นไปตามอํานาจของความหลงผิดอย่างแท้จริงแต่โมหะที่ทำให้หลงผิดตั้งแต่คิดผิดเห็นผิดจนถึงทำผิดได้นั้นไม่อาจคุ้มครองใครให้พ้นจากทุกโทษภัยของการคิดผิดเห็นผิดทำผิดได้เลย แม้แต่จะทำให้ผลอันเป็นทุกข์โทษภัยลดน้อยลงโมหะก็ช่วยไม่ได้โมหะได้แต่เพิ่มทุกข์โทษภัยให้มากขึ้นเท่านั้น